จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเทน้ำใจตอนที่หนึ่งรวมใจรักโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบาบัดนี้ค่ะ มันจมมันฝังอยู่ลึกมันพวกลูซี่เนี่ยพระเจ้าถึงไม่เอาเลยไม่ให้ความเป็นอริยบุคคลอะไรเลยเพราะว่าพวกนี้หัวใจแพ้ตลอดลบหนีไม่สู้ผัสสะไม่กล้าเจออะไรทั้งนั้นป ก, ปกบ้องไปหมดเลยไม่ให้ตัวเองไปเจอผัสสะอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะกลัวกลัวความจริงจะโดนดึงขึ้นมาให้เห็น เพราะอย่างพวกเราเองเนี่ยที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเพราะพวกเราเนี่ยถึงต้องต้องพยายามใจจะไม่แพ้เนี่ยนะต้องพยายามสร้างกำลังของใจให้ใจเนี่ยมีพลังขึ้นมาเรื่อยมีพลังขึ้นมาเรื่อยมีพลังขึ้นมาเรื่อยใจที่มีกำลังเท่าน่าใจถึงจะไม่แพ้ง่ายๆส่วนใครที่ไม่ใจไม่มีกำลังปะทะนิดปะทะหน่อยนะชนนิดชนหน่อย หัวโนหัวแตกมึนหัวไม่เอาละกลัวจะเลิกละจะทิ้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่สร้างกําลังใจนะกําลังของใจถ้าไม่ฝึกไม่สร้างขึ้นมาคนนั้นขี้แพ้จะเป็นคนเกิดมาในโลกนี้แต่เป็นคนขี้แพ้จะไม่สามารถที่จะอะไรอะ่ะ เป็นผู้พิชิตหรือเป็นผู้ที่มีกำลังใจกำลังขวัญที่เข้มแข็งขึ้นมาได้เลยเพราะพอเจออะไรเข้าเจอภาษาก็ค้นก็ตามเจอได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรมาก็ตามเตรมป้องกันตัวทั้งนั้นเลจะป้องกันตัวหมดจะไม่กล้าที่จะลุยเบรห น, น้าเพราะนั้นอ่ะอันนี้เราเราเร า, เราพยายามดูาอาตมาก็ได้แต่พูดอย่างนี้แหละไม่รู้จะทำยังไง แม้อัตมาเองเนี่ยก็ต้องฝึกจริงๆก็ต้องพยายามฝึกฝนอย่านึกว่าอยู่ดีๆคนเรามีกําลังใจง่ายๆนะไม่หรอกกําลังใจได้มาด้วยการฝึกฝนผู้เจ้าท่านเคยใช้ว่าเราจะรู้ว่าใครเนี่ยมีกําลังใจขนาดไหนรู้ได้ในยามไหนฮะอ่า รู้รู้ได้ตอนที่มันเนี่ยเจอภัสสะเจอปัญหาเจออันตรายน่าจะรู้ว่าคนนี้กําลังใจหรือจริงหรือไม่จริงรู้ได้ตอนภัสสะภัสสะที่ที่ที่ชัดชั ด, ชดนะส่วนถ้าปกติแล้วโอ้ยแหมเรานึกว่าเรานี่ยกำลังใจดีนะนึกว่าแหมเข้มแข็งอดทนยังไม่จริงหรอกตอนเมื่อคนนั้นเจอ ภาษาของจริงเมื่อไหร่อะโดยเฉพาะอันตรายคราวนี้เละชัดเลยว่าใครเนี่ยมีกำลังใจขนาดไหนเพราะมันมาถึงบอกมันต้องฝึกเนี่ยเพราะอะไรที่ฝึกดีที่สุดฝึกจากผัษาเพราะคนที่ไม่เจอผัสษาบางคนมาอยู่วัดต้องให้อยู่เป็นสิบปีเอา้าแต่คนนี้นะดูโดยสภาพภายนอกแล้วเอ้ยเย็นดีนะแล้วก็ดูเหมือนกับมั่นคงแข็งแรงนะ แต่ยังไม่จริงนะถ้าคนนั้นไม่ได้ผ่านภรรษามาจริงไม่จริงหรอกสักวันเนี่ยยิ่งยิ่งถ้าใครทํางานอ่าอยู่ที่สันติสุขนี่แหละยิ่งถ้าใครทํางานประเภทอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำไม่ใช่ถ้าที่กุฎอัตมานั่นนะอยู่ในถ้ำนี่หมายถึงว่าอยู่ในภพของตัวเองอยู่ในงานของตัวเองเอาสมมติหลวงพัวเอ า, มมเอาใกล้ๆแหละยกตัวอย่าง นะสมมติเราทำอยู่โรงครัวเนี่ยเราก็ทําอยู่โรงครัวของเรานะเราไม่ยุ่งอะไรใครนะล้างถ้วยล้างชามเราก็ล้างถ้วยล้างชามนะใครจะอะไรยังไงเราไม่สนอ่ะใช่ไม่ยุ่งด้วยท่านจะทําอย่างนี้ท่านก็ทําอย่างของท่านน่ะนะเขาจะประชุมหรือเขาจะอะไรยังไงอฉันไม่ยุ่งด้วยฉันก็ทำอย่างพ่อของฉันอ่าคือถ้าอย่างเงี้มันอยู่แต่ในพบตัวเองบางทีใครเขาจะมาตีใครเขาจะว่าอะไรนีก็หลบๆบเลี่ยงเลยไม่เอาฉันไม่ฉันไม่ฟังด้วยนะฉันไม่ยุ่งด้วยนะ เขาจะประชุมหรือว่าเขาจะโต้แยง้งเขาจะอะไรยังไงไม่เอาฉันไม่สนนะปวดหัวฉันไม่เอาด้ว ย, ยแล้วก็นามีอะไรก็เถียงก็อยู่อย่างนั้นนหะไม่เห็นเข้าท่าเลยแต่จริงๆตัวเองทนอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานอยู่ไดพบแบบนี้นะมันหนีภาษามันมันกลัวภาษาแล้วมันก็เลี่ยงภาษาหมดเพราะนั้นต่อให้อยู่วัดเป็นสิปีเป็น20ปีเป็น30ปีเป็นร้อยปีก็แล้วแต่แต่ถ้า เลี้ยงภาษาอยู่อย่างยิ่งก็คือฤาษีนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของจริงคนนี้ไม่ได้มีกําลังใจที่เข้มแข็งได้จริงหรอกต่อเมื่อถ้าคนนี้วันไหนอะเกิดฟุกๆไปเจอชนิดเลี้ยงไม่ได้หลบไม่พน้นนะภาษาตูมเข้าใส่จริงจริงเมื่อ น, นั้นอะรู้ผลว่าจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าไม่จริงเย็นไม่อยู่แล้วนะไม่ยอมเย็นแล้วนะไม่ยอมเย็นแล้วก้อนเนี้ย นะมันจะยุยมันจะยุยเลยแหละมันจะสลายเลยแหละเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเลยอาการีจะขึ้นให้เห็นเลยจะตรงข้างข้ามเลยนะบางทีเราเห็นบางคนเหมือนกับเออคนนี้ทําไมดูแลเหมือนกับขี้โกรธดูแล้วเหมือนกับเอออาวยวายแต่คนนี้โอ้โหภาษาอยู่เรื่อยเลยนะภาษาอยู่เรื่อยโดนดุบ้างโดนว่าบ้างโดนติม้าง นะเขาก็อดทนก็พยายามปรับตัวพยายามแก้ไขยพยายามอะไรคนเรามันไม่ดีรวดเร็วเลยนะโอ้โหมันโดนตุบสองตุบสามตุบบางทีกว่าจะออืถึงจะซาบซึ้งแล้วถึงจะ <c oughs> ถึงจะแบบ <c oughs> ปรับสู้เพราะถ้าใครอดทนแล้วก็พยายามเนี่ยเจอผัสสะแล้วก็พยายามปรับแก้ปรับแก่นั่นแหละคนนั้นนะ่ะมีกําลังใจจริงมันสังเกตแม่บางคนเนี่ย นะอยู่วัดไม่นานก็จริงแต่โอ้โหเจอภาาัสสะแล้วเขาก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกปรับจิตปรับใจเขาพอเขาปรับอย่างเงี้ยเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยเก่งขึ้นเรื่อยพอเวลาเจอภัยเจออันตรายเจออะไรตูมเข้ามาเนี่ยหนังเหนียวทนได้แต่ส่วนใครเนี่ยอาจะมาบอกแล้วบางทีอยู่เ ป, ป็นห้าปีสิบปีโดนเข้าไปตูนเดียวนี่โอ้โหทิ้งวัดเลย ย้ายวัดอยู่วัดอื่นดีกว่าที่สงบและก็เย็นกว่านี้นะตั้งั้่ที่ความจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเอ้ามันเป็นความไม่เก่งมันเป็นความอ่อนแอของใจที่ทนไม่ได้เองนะทนไม่ได้เองวันมรคนของของพระเจ้านี่ท่านยืนยันเลยว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องได้เหมือนกันคุณจะอยู่ท่ามกลางโรงครัวอันมีไอควันขึ้น อันร้อนกลุ้นก็ตามนะคูจะอยู่ท่ามกลางนะี่แหะตามตกธรรมชาตินั่นก็ตามนะคูจะต้องอยู่ได้เหมือนกันเพราะคนที่ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วมันรับภาษาได้เก่งเพราะว่ามันสามารถปรับจิตปรับใจได้เก่งนั่นแหละเพราะอันเนี้นี่แหละเนี่ยคือมรรคผลจริงๆมรรคผลของแท้มรรคผลไม่ได้ไหมายความว่าเราอยู่แล้วก็ อ, อไม่กระทบกระทั่งอะไรกับใครเลยแล้วเราก็อยู่อย่างมีความสุขบสบายแล้วอย่างนั้นก็คือแหมเราบรงมาสุขแล้วเราเป็นมรรคผลอย่างของเราไม่ใช่เลยมรรคผลอยู่ท่ามกลางความสับสนความวุ่นวายคุณก็ไม่ทุกร้อนอะไรด้วยคุณอยู่ได้เขามีปัญหาอะไรคุณอยู่ท่ามกลางปัญหาได้คุณช่วยเขาแก้ปัญหาก็ได้ไม่ได้หนีปัญหา เนี่ยเนี่ยคือความแตกต่างอย่างของศาสนาพุทธนะเอาเสร็จตอนนี้เอาละพยายามทําดีต่อไปนะอย่าหมดกําลังใจทั้งที่จริงแล้วการได้ทําดีนั่นเองคือผลตอบแทนของความดีนั้นแต่เมื่อไปมัวโลภสิ่งอื่นอยู่อยากได้ลาบอยากได้ลาบมาตัดตอบสนองให้มากๆให้มากๆพอไม่สมหวัง จึงต้องถูกอกหักจิตตกตำ่ำความเชื่อมั่นล้มเหลวกลายเป็นโรคความดีล้มละลายเวียนกลับไปจมปลักหยาบช้าทําเลวเยี่ยงอย่างเดิมเรื อ, อ น, นี้พูดถึงคนที่ที่จะพยายามจะมาทําดีแต่พอเจอผัสสะเจออะไรแล้วก็นนหน้าไในที่สุดก็คือคือคือมันไปมีเป้าที่ไปตั้ ง, งว่าถ้าทําดีแล้วเนี่ยมันน่าจะได ยิ้มให้เขาเขาน่าจะยิ้มตอบอยกมือไหว้เขาเขาน่าจะไหว้ตอบอเคยช่วยเหลือเขาเขาควรจะช่วยช่วยเหลือเราตอบแต่ปรากฏว่าผลที่มันกลับมามันไม่เป็นอย่างที่ที่เราคิดหรือว่าที่เราหวังเพวันคนนี้ก็ทุกแล้วก็อกหกักอกพังนาจิตก็ตกเพราะว่าทําดีเนี่ยเพื่อผลตอบแทนไม่ใช่ทําดีเพื่อได้เสียสละ นเนี่ยเนี่ยคือความซวยที่สุดของคนที่ทำดีที่ทำดีแล้วเนี่ยมันเผลอไปคิดหวังผลที่จะตอบแทนเพราะพวกนี้จะอกหักอยู่ตลอดไปในที่ต้องเจอจนได้ในที่สุดก็ต้องอกหักแต่คนที่ทำดีเพื่อเสียสละออกไปนะไม่คิดที่จะต้องมีอะไรย้อนกลับมาหาเราเรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มให้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเจอครั้งที่สองแล้วเขายิ้มให้เขาอีกเขาไม่ยิ้มให้กับเรื่องของเขาก็ปากเขาหน้าเขาอ่ะไอ้หน้าเราปากเรามันก็เราก็ยิ้มให้เราก็อะไรอ่ะใจเราก็ดีใจแล้วก็เบิกบานเองเราก็มีความสุขเองใช่ไหมเขาไม่ยิ้มกับหน้าของเขาอ่ะเขาไม่เบิกบานมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมมันจริงๆเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่พ่อบอกแล้วเรามักจะพลาด เรายิ้มให้ใครเราทําดีอะไรใครใครไปเรามักจะเผอว่าเขาน่าจะดีกลับมาอันนี้แหละที่ทําให้เจ็บคุณหนีไม่พ้นความเจ็บไปได้เพราะถ้าตาบใดถ้ายังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เพรา ะ, ะนันพยานเลิกให้ได้ไอความรู้สึกแบบนี้นะถึงบอกว่าเสียสละไปให้รู้เลยว่าตัดขาดเลยให้แล้วให้เลยขาดขาดเงิน นะให้เสื้อเข้าไปแล้วก็เขาจะใส่ไม่ใส่เรื่องของเขาอืมหรือเขาจะเอาไปเช็ดโต๊ะเราอุตส่าห์แม้เสื้อนี่โอ้โหเราอุตส่าห์เร า, าเราักเราชอบนะแหมให้เขาก็คิดว่าเขาจะเอาไปใส่ที่ไหนได้มาเห็นอีกทีอืมกลายเป็นผ้าคิริวเช็ดโต๊ะไปแล้วเลอเนี่ยเสื้อเราอุตส่าห์ให้โอ้โหบางคนนี่ขึ้นเลยนะเห็นแค่เนี้ยไม่ไหวแล้วขึ้นเลยก็ให้เขาไปแล้วมันก็เป็นของเขาอะ่ะ เขาจะไปเช็ดโต๊ะเขาจะเอาไปเช็ดพื้นที่ไหนมันก็เรื่องของเขาแล้วเราให้แล้วให้ขาดไปเลยไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแต่คนเราเนี่ยมันติดตรงเนี้ไอความเป็นเจ้าเขาเจ้าของของคนเรามันติดจริงๆมันติดว่านี่คือของเราให้เขาไปแล้วก็ยังนี่คือของเราอยู่ในใจไอข้างนอกเนี่ยมันเป็นของเขาไปแล้วแต่ใจเราเราก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่านี่มันของเราอยู่อะ เพราะนั้นพอมามากลายเป็นผ้าเช็ดโต๊ะไปแล้วนี่นะไม่นี่มันเสื่อของเราเนี่ยว่าทำไมใครเอามาเช็ดโต๊ะเนี่ยมันมันมันไม่ได้ให้จริงมันไม่ได้เสียสละจริงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านย้ำอยู่เรื่อยเลยทำดีแล้วอย่าหวังผลตอบแทนทำดีแล้วอย่าหวังผลตอบแทนอันนี้แหละเพื่อจะมาล้างกิเลส ข, ของคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยบางทีปากก็พูดอยู่นะว่าทาดีอย่าหวังผลตอบแทน แต่ใจเนี่ยมันยังคิดอยู่เรื่อยเลยที่จะวังผลตอบแทนเรื่องใจนเนี่ยเนี่ยอันนี้ยากแต่ถ้าคุณยิ่งไม่ย้ําคุณยิ่ยงไม่ฝึกคุณยิ่งไม่มีทางเลยอันมันยืนยันเลยต่อให้คุณปากคุณบอกนะตอนคุณให้เงินใครไปหรือคุณเชื่อเหลือใครไปก็ตามคุณให้ของเข้าไปต่อให้คุณบอกด้วยบอกในใจตัวเองนะว่าอย่าหวังผลตอบแทนนะอย่าวังผลตอบแทนนะอย่าวังผลตอบแทนนะท่องไปเลยนะแต่เชื่อไหม <c oughs> มันยังหวังอยู่เลยอาตมากล้าพูดเลยเพราะว่าขนาดอาตมาเนี่ยพอจะรู้ตัวเนี่ยนะก็คอยเตือนนะยังเผลอไม่ได้หลยคุณเผลอมาอะไรมันยังจะนี่วัดของกูนี่อโศกของกูนี่กลัวของกูอนี่ตาหลีวของกูจริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆมันของส่วนกลางแต่มันเผลอมันจะกลายเป็นของกูไปในอัตโนมัติ แล้วคุณจะรู้ได้เมื่อไหร่คุณรู้ได้เมื่อนั่นแหละคุณหึงหวงขอขอขอมาใช้กับข้าวของก็ตามน่า <c> ก <oughs> ูหวงหวงเมื่อไหร่คุณอะไรเมื่อไหร่แล้วออกมาแล้วไม่ชอบไม่ยอมแล้วก็รู้สึกถือสารู้สึกอะไรต่ออะไรอ้าเอาจริงแล้วต้องช่วยดูแลรักษาข้าวของไม่ให้ข้าวของเสียอะไรก็ต้องตีนเตือนก็ต้องบอกกล่าวก็ใช่ก็ถูกแต่ บางทีเนี่ยคุณเริ่มแล้วหัวงจนบางคนเนี่ยเอาแล้วจานก็เอาไปเก็บที่บ้านอะไรนะไอ้มีดเอาไปเก็บที่บ้านไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนอื่นเอาไปใช้หมดนะคือมันมันมันจะกลายเป็นเรียกว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคือบางคนโดยที่ไม่รู้ตัวจะจริงว่าบางทีเราทํางานเราก็ต้องเอาเก็บไว้ใช้งาน อันนั้นก็ถูกแต่มันมันทดลองได้ทดสอบได้ว่าว่าไอ้ที่คุณบอกว่าเก็บไว้ใช้ของคุณเนี่ยปรากฏว่าบางทีบางคนมายืมบ้างหรือว่าบางทีคนอื่นเขาเอาไปใช้โดยไม่ได้บอกอนุ ญ, ญาตเราบ้างเนี่ยเราขึ้นไหมแหละถ้าคุณขึ้นคุณรู้เลยนี่คุณยังยึบเป็นเจ้ า, ข, าจของอยู่เลยจริงเขาทําไม่ถูกต้องเขาทาให้เหมาะสมเราอาจจะต้องติงเตือนอาจจะต้องว่า ก, กล่าวแต่ไม่เห็นต้องขึ้นเลยนี่ เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นของส่วนรวมหรือว่าเป็นของส่วนกลางไม่ใช่ของส่วนตัวเลยสักหน่อยริงเตือนเขาก็ถูกต้องแต่ไม่เห็นต้องโกรธเนี่ยแล้วไม่เห็นต้องไม่ชอบใจเนี่ยใช่ไหมถ้าถ้าคุณมีอยู่คุณมีอารมณ์พวกนี้ อ, อยู่ให้รู้นี่ยังมีตัวตัวหอบตัวห่วงตัวความยึดเป็นเจ้าเข้าเจาของนั้นอยู่เพราะว่าถ้าถามกันไปจริงๆของของคุณไหมไม่ใช่นี่มันของส่วนกลาง ถ้าเสียไปใครจ่ายคุณจ่ายเองเหรอคุณก็ไม่ได้จ่ายส่วนกลางจ่ายอถ้าเสียจริงๆใช่ไหมแต่อะไรล่ะที่มาทําให้เราต้องขึ้นหรือว่าทําให้เราต้องโกรธขึ้นมาแล้วทําให้เราไม่ชอบใจขึ้นมาอันมันแบอบกก็ความเป็นเจ้าเจ้าของนี่แหละว่าถ้าใครเนี่ยพยายามจับอารมณ์จิตของตัวเองให้ชัดๆนะพยายามรู้ตัวเนี่ย คุณจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่เกิดโรคความดีล้มละลาย <c oughs> คุณจะไม่เกิดโรคนี้ขึ้นมาเพราะงั้นเกิดได้จริงๆแลอารมณ์นี่มันชั่ววูบนะมันบูบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไฟชอ็อตน้ําท่วมอะไรได้หมดเลยเนี่ย พ, พยายามอันนี้พยายามเรียนรู้แล้วพยายามจับอารมณ์แล้วก็คอยปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วคนนั้นเนี่ยข่าวนิจใจเย็นก็จะเย็นจริงๆไม่เย็นเพราะ ไม่มีผาสาะแล้วเย็นไม่ใช่หรือไม่ใช่เย็นเพราะคนอื่นยอมให้คุณสมมติว่ายอมเย็นเพราะอะไรเพราะคนอื่นยอมให้ไม่ใช่เราเย็นได้เองคนอื่นยอมให้อันนี้มันเย็นจริงที่ไหนเราไม่เย็นจริงคนอื่นเขายอมให้ต่างหากคุณถึงเย็นถ้าคนอื่นเขาไม่ยอมอะคุณเย็นไม่ไม่ได้เลยคุณขึ้นเพราะอันนี้ไม่ใช่นันนี่ก็ไม่ใช่ของจริงอีกมันอาจาราถึงบอกว่าบางคนเนี่ย ถ้าไม่พยายามศึกษาไม่พยายามตรวจจิตดูใจตัวเองให้ดีบางทีเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้อันนี้ผ่านแล้วอันนี้เย็นแล้วอันนี้ดีแล้วไม่ใช่หรอกบางทีคุณไปทํากับคนอื่นคนอื่นต่างหากล่ะที่เขาเย็นคนอื่นต่างหากล่ะเขาช่วยทําให้คุณเลยเย็นตามเขาเพราะคนอื่นเขายอมไงล่ะแต่พอไปทํากับคนไม่ยอมเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าโอ้โหเราไม่เย็นอะไรเลย เรายังร้อนอยู่เลยแล้วคุณถึงจะรู้มันบางคนไม่รู้ตัวจริงๆนะเพราะปรากฏว่ารัสมีรอบข้างตัวเองเนี่ยปรากฏว่าแหมมีเทพมีเทพคุ้มครองนะทั้ทงซ้ายขวาหน้าหลังก็แหมเจอคนดีๆที่แบบว่าเขาเขายกให้เราเขายอมให้เราได้เกือบทั้งนั้นเลยคนนี้หลงตัวเองก็แต่เลยกลายเป็นหลงตัวเองมาตัวเองเย็น แต่ไม่จริงเพราะคนที่เย็นจริงๆคือคนรอบข้างนั่นแหละที่เย็นจริงเพราะเขายอมให้เราได้แต่ส่วนเราสิเรากับไม่ยอมให้ใครเลยเพราะนั้นถึงบอกต้องพิสูจน์เพราะันต้องบางทีเนี่ย เ, เหตุหนึ่งที่บางทีพระเจ้าเนี่ยท่านให้แบบว่าให้เคลื่อนกายย้ายจุดก็เพื่อที่จะให้เจอผัสสะใหม่หรือว่าเจอเจอเทพองค์อื่นบ้งอะ นะเราถึงจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะบางคนทําชอมารอคุณทําไปเรื่อยๆคุณก็คุณใช่ไหมคนอื่นเขารู้ใส่รู้พุงกับคุณด้วยบางทีเขาอ่าถ้าพูดไปอย่างนี้รู้แล้วไอ้คนนี้มันจะโกรธเขาก็ไม่พูดละสไตล์นี้เขาไม่พูดละเพราะรู้ว่าพูดแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นขึ้นเขาก็ไม่พูดเพราะเขารู้มาแล้วเนี่ยเขาก็เจอเขาเคยเจอมาแล้วพูดอย่างนี้แล้วคนนี้โกรธเขาไม่พูดละตอนนี้เพราะาปรากฏว่าในชอมารอคนรอบข้างเราเขารู้ละ คนนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเขาโกรธคนรอบข้างนั้นก็เลยเป็นเทพคุ้มครอง <c ười> คือเขาก็เลยไม่พูดอย่างนี้เขาไม่ทําอย่างนี้เพราะทําไปแล้วเดี๋ยวคนนี้โกรธเพราะนั้นปรากฏว่าคนนี้ก็เลยแหมสบายเลยนะเย็นสบายนึกว่าตัวเองเก่งขึ้นไม่ใช่อปรากฏว่าจริงๆคนอื่นก็ช่วยเหลือไว้ถึงบอกว่าบางทีเคลื่อนกายย้ายจุดทำชะมร l แล้วบางที วันไหนอ้าวพอเป็นไปได้ลองย้ายวิกกุ้งดีย้ายแบบไหนต้องต ก, ตกลงกันให้ดีนะอ้าวอยากชมอมาลองมาทำที่ไหนดีฮะทำทำที่ขอบคุณอ้าวลองสับเปลี่ยนดูซิมาทำที่ขอบคุณอ่าคราวนี้เจอเจอเทพองอื่นมาเทพที่ยังไม่รู้ใจเราเนะ นะเพราะฉะ น, นับางทีเขาจะพูดหรือเขาจะทำอะไรมาเนี่ยเขายังไม่รู้กับเราอ่ะนะเพราะฉะั้นเขาเนี่เราเจอแล้วถ้าเราขึ้นเนี่ยคุณรู้แต่ละว่าโอ้โหใช่ละใช่เลยเรายังไม่เย็นจริงถึงบอกว่าบางทีเนี่ยมันต้องเคลื่อนกายย้ายจุดที่จะผัสสะใหม่บ้างแล้วถึงจะรู้ว่าคุณเย็นไม่เย็นคุณเจอภาษาที่ซ้ำซากเก่าๆจนคุณขึ้นคุณชินแล้วบางทีคุณเลยนึกว่า คุณได้แล้วคุณสบายแล้วแต่มันไม่ใช่เพราะฉะคนที่บางทีเนี่ยทำงานแล้วนะเออเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาต่างๆที่ที่เรากระทบแล้วก็ได้ตรวจจิต ด, ดูใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนนั้นจะเก่งในการที่จะปรับจิตใจตัวเองในการที่จะเจอกับภาษาเพราะฉะันคนพวกนี้เนี่ยถ้าได้แล้วค่อนข้างจะได้จริง ส่วนคนที่จมอยู่กับที่นานจนเกินไปแล้วก็ไม่มีหน้าใหม่ไม่มีอะไรเข้ามาให้ได้รับปัสสาะบ้างนะถ้าอย่างเงี้ยรู้ตัวจะยากเปลี่ยนตำแหนง่งเปลี่ยนที่เมื่อไหลายบางทียังไม่ต้องไปเจอใครเลยนะแค่เปลี่ยนตำแหนง่งเปลี่ยนที่เท่านั้นเองเจออาการแล้วหนาวร้อนๆหน่อยนะเจอสภาพที่ไม่ไม่เหมือนกับที่ตัวเองอยู่เท่านั้นนะดิ้นะแค่นี้ยังไม่ต้องพูดถึงคนเลยไม่ต้องพูดถึงเจอคนนะ อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบางคนเนี่ยย้ายที่อยู่สันติอโศกย้ายไปอยู่ภูผาไม่เจ อ, เ อ, อไม่เจอเสียงโฟนไม่เจอทีวีไม่เจออะไรอีกอะคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้นะาบางทีคิดว่าคิดว่าโอ้ยเราอยู่สบายมากอะไรนะไปอยู่จริงๆเข้าเจ็ดวันกลับเลยเพราะว่าไม่ไหว อยู่ไม่ไหวเลยบางคนแค่นั้นน่ะแค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองบางคนดิ้นแล้วบางทีเจ็ดวันบางคนอาจจะทนได้นะอาจมาเคยพูดให้ให้ฟังแล้วเห็นมาแล้วต่อให้ส ม, มณะก็ส ม, มณะเหอะ <c oughs> สามเดือนต้องสามเดือนเห็นผลชัดเจนพรรษาหนึ่งเนี่ยสามเดือนนี่เห็นผลชัดเจนเลยใครนี่จะดิ้นทุรนทุนทนลายขนาดไหนเนี่ยชัดเลยสามเดือนนี่ชัดมาก ถ้าเดือนหนึ่งเริ่มเริ่มเห็นอาการสองเดือนเนี่โอ้โหเอาละเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆสามเดือนนี่นะติดปีกเลยพ้นออกพรรษามาเลโบยบินเลยนะทันทีเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยถ้าถ้าจิตมันมันมันฝึกมาไม่ได้แล้วมันผัสสะมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจากที่เคยอะไรนะเราไอตอนที่เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายความอะไรนี่บางทีเราก็รู้สึก โอ้โหเราอยากจะเงียบเงียบยังเลยเราอยากจะสงบสงบแต่ให้คุณไปอยู่จริงๆนะอยู่ไม่ได้อีกไอ้เงียบเงียบไอ้สงบสงบอ่ะมันเป็นแค่ความอยากของใจเพราะว่ามันช่่งวุ่นวายอยากสงบสงบแต่คุณไม่ได้อยากสงบจริงอ่ะต่อเมื่อพอไปอยู่ที่สงบสงบจริงๆไม่ค่อยมีผู้คนจริงถ้าคนนั้นอยู่ไม่ได้นั่นนหะคุณรู้เลยว่าคุณไม่ได้อยากสงบจริงละดิ้นเลย ยิ่งถ้าดิ้นให้ออกมาให้เห็นเลยนะว่าไม่ไหวล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วมันเงียบเกินไปคนมันน้อยเกินไปเหงาฉันรู้สึกเหงาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชัดเลยว่าใจคุณไม่ถึงล้ไม่ถึงที่คุณบอกว่าสงบอย่างนั้นแหละเพราะจริงๆแล้วก็คือมันชอบอยู่แบบวุ่นวายหน่อยคนเยอะๆหน่อยเพียงแต่มันไม่ถูกใจมันไม่สมใจบางครั้งบางเวลาบางโอกาสมันก็เลย พอไม่สมใจขึ้นมาก็อืไม่อยากดูขังใครอยากอยู่สงบสงบมันเอาขึ้นมาอ้างเท่านั้นเองที่จริงแล้วถึงบอกว่ามันต้องพิสูจน์คนเราเนี่ยคุณจะรู้สัจจาคุณจะรู้ว่ามีมรรคผลจริงไหมมันต้องพิสูจน์ของจริงให้ได้แล้วอะไรล่ะเป็นตัวพิสูจน์ของจริงภาาัรษะเป็นตัวพิสูจน์ของจริงถ้าสมมุติว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาพิสูจน์คนนั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยได้จริงหรือไม่ได้จริง นะเพราะนั้นเนี่ยความดีจะล้มเหลวไหมล้มละลายไหมนะต้องต้องพิสูจน์กันความดีงามอันประเสริฐความมีน้ำใจอันมั่นคงต้องฟันฝ่าจึงจะได้มาอุปสรรคขวางหนามจึงเป็นตัวพิสูจน์เป็นตัวฝึกฝนอบรมให้เข้มแข็งเพราะไม่มีของสูงค่าใดที่จะได้มาง่ายได้เลยนะอันนี้เราก็คง ได้ยินได้ฟังมาเคยได้ยินอยู่บ่อยๆไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้มาง่ายๆทุกอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของมรรคผลต้องได้มาด้วยหยาดเหงือ่อด้วยแรงกายของเรามรรคผลหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้คนอื่นมาแถมให้ก็ไม่ได้อ่าไม่มีฟรีต้องต้องต้องใช้กำลัง จิตกำลังใจใช้กำลังกายของเราทุ่มเทนะถึงจะได้มาโอโ้แล้วได้มาแต่ละก้อนเนี่หนักหนาสาหัสซากันถึงบอกว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆนะอันนั้นแสดงว่าของเก่าคุณคุณได้มาแล้วแต่ของใหม่ที่คุณยังไม่เคยได้เนี่ยโอ้โหเหงือแตกพลักๆเลยกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนะเพราะนั้นอ่าตอนนี้ นะมันมีคำของาศาสนาคริสต์เนี่ยนะเป็นนักบุญเปโตรเขาชื่อเปโตรนะเามีพูดถึงว่าเอาความเชื่อเพิ่มความดีเอาความดีเพิ่มความรู้เอาความรู้เพิ่มความเหนียวรั้งตนเอาความเหนียวรั้งตนเพิ่มความอดทน เอาความอดทนเพิ่มธรรมะเอาธรรมะเพิ่มความรักพ่อแม่พี่น้องเอาความรักพ่อแม่พี่น้องเพิ่มให้คนทั่วไปนะอันนี้เป็นคําสอนของคริสเขา เ, าเราลองฟังไล่ไปทีละอันเอาความเชื่อเพิ่มความดีความเชื่อนี่คือศรัทธานั่นเองเนี่เพราะฉะถ้าเราเราอยากจะเพิ่มความดีของเราเนี่ยพูดง่ายๆนะคุณต้องเพิ่มศรัทธา คุณต้องมีศรัทธาเนี่ยคือคือคุณต้องมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเนี่ยเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นเนี่ยคุณต้องสร้างเพิ่มขึ้นถ้าคุณสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นนี้ได้เพิ่มขึ้นคุณถึงจะเพิ่มความดีคุณได้เพราะถ้าใครเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งแล้วคุณไม่สามารถจะเพิ่มความเชื่อมั่นในในสิ่งที่ดีงามเนี่ยคุณไม่สามารถจะ เพิ่มศรัทธาตัวนี้ขึ้นมาได้ความดีคุณเพิ่มยากมันจะเสวยสุขเสรติดแป้นอยู่อย่างนั้นแหละมันจะไม่ยอมเลื่อนขึ้นเพราะว่าจะเลื่อนขึ้นบอกแล้วมันต้องลําบากขึ้นคุณจะเพิ่มความดีให้กับตัวเองมันต้องลําบากขึ้นใครละมันอยากจะไปลําบากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยมองไม่เห็นความดีที่คุณจะเพิ่มขึ้นมาได้นะใครจะยอมลงทุน ให้ลําบากอีกมันไม่อยากทํามันต่อเมื่อคนนั้นเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อมั่นโอ้โหถ้าเรายิ่งดีกว่านี้ขึ้นไปเรายิ่งจะสบายกว่าที่เราเป็นอยู่นี่อีกนะเรายิ่งจะโอ้โหพ้นทุก์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคุณเชื่อมั่นในความดีในบุญนะบารมีต่างๆคุณเชื่อในมรรคผลแล้วคุณเชื่อว่าถ้าเป็นบาป เป็นเวรเป็นภัยแล้วมันยิ่งทําให้เราทุกข์มันพอเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยเราศรัทธาได้ถูกต้องตร ง, ตรงที่ตรงทางเนี่แหละก็ยิ่งทําให้เราแหม่ยิ่งเพิ่มศรัทธาแล้วก็ยิ่งกล้าทําดีหรือยิ่งอยากทําดีมากขึ้นเพราะอย่างเนี่ยเดี๋ยวเข้าภาษาคนเราจะตั้งตาบะไหมเนี่ยมันก็ต้องคุณต้องมีศรัทธาถ้าคุณไม่มีศรัทธาในบุคคลศรัทธาในศาสนาหรือในหมู่กลุ่ม ถ้าคุณไม่มีศรัทธาอะไรพวกนี้จะทําไปทําไมเข้าภาษาเข้าไปเหอะมันก็อย่างนั้นแหละมันก็วันนึงวันนึ่งก็ผ่านไปเท่านั้นเองแต่พอเรามีเชื่อมั่นเนี่ยเราเชื่อว่าเอ้อถ้าเราทําดีให้มันยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้เนี่ยเราก็ต้องต้องได้มากขึ้นไปกว่า น, นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความเชื่อเพิ่มความดีตอนี้พอเรายิ่งดีขึ้นไปใช่ไหมเรายิ่งทําแล้วเราก็ยิ่งได้ดี เขาถึงบอกว่าเอาความดีเพิ่มความรู้เพราะอะไรเพราะเรายิ่งทําไปก็ยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ความรู้ก็คือปัญญา น, นั่นเองปัญญามันก็ยิ่งเพิ่มนะความรู้เนี่ยหรือญาณเองอันนี้อาจจะมาเอามาพูดในแบบของศาสนาพุทธนะแต่จริงๆนี่มันเป็นคําของศาสนาคริสต์เออแต่เอาอมาพูดเปรียบมาเลยเปรียบศาสนาเปรียบเทียบเอามาพูดเลยพูดในขั้นของพุทธ ว่าพุทธก็คือได้ปัญญาเลยเพราะคุณมีศรัทธาคุณจำได้ไมัาอย่างของพุทธศรัทธาศีลนะซูดไหนก็ได้เอาว่ามาศรัทธาศีลจาระปัญญาตกตรงไหนไปอันอนึงอ่ะนะอ่า น, นี้ซับแค่4เอา5แหละเอาเอาเอาห้าก่อนนะศรัทธาเศรษฮะเอาสมาธิหรือสติเอาใช่ไหมแล้วก็บางทีก็มาจาคะอ่าแล้วก็ปัญญาก็แล้วแต่คือสูตรมันมีเยอะนะหลายๆสูตรแต่จะให้เห็นเลย ว่าพอเรามีศรัทธามีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราประพฤติปฏิบัติคําว่าความดีเนี่ยคือการลงมือกระทําปฏิบัติขรอบคุณปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะความดีก็ยิ่งเพิ่มความดียิ่งเพิ่มมันก็เนี่ยปัญญาความรู้มันก็ยิ่งเพิ่มด้วยคือมันจะหมุนวนกันเนี่ยคุณยิ่งมีศรัทธาคุณยิ่งปฏิบัติก็ยิงญญย่งได้ปัญญาคุณยิ่งได้ปัญญาคุณก็ยิง่งมีศรัทธาแล้วคุณก็ยิ่งปฏิบัติแล้วคุณก็ยิ่งได้ปัญญามันจะ มุ้นบนเป็นรอบพะมันอยู่อย่างนี้นัต่ตอนนี้อ้าวเอาความดีเพิ่มความรู้เอาความรู้เพิ่มความเหนียนนออนนน่ยนนนนวรั้งตนนี่คืออดทนอดกั้นเองนั่นเหนี่ยวรั้งตนเนี่ยมันคือคุณมีสติหรือคุณมีสมาธิหรือคุณมีการที่จะสงบการที่จะระงับยับยั้งตัวเองได้นัเหนี่ยวรั้งเนี่ยอาจจะเป็นความอดกลั้นเหนี่ยวรั้งหรืออาจจะเป็น สติหรืออาจจะเป็นสมาธิที่เราจะมาใช้เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมในการที่จะเหนี่ยวรั้งตัวเราไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความรู้หรือว่าเอาปัญญาเนี่ยแหละนะเป็นเครื่องเหนี่ยวั้างกูจะเหนี่ยวรั้งโดยใช้เจโตก็แล้วแต่กูจะเหนี่ยวั้างโดยใช้ปัญญาก็แล้วแต่แต่เนี่ยในที่นี้เขาใช้ว่าเอาเอาปัญญาคือเอาความรู้เนี่ยมันเหนี่ยวล้างใจเรา นะอย่าไปทําชั่วอย่าไปทําเลวเออให้มาทําดีซะเนะีเดี๋ยวล้างดึงมาในด้านความดีอย่าไปด้านความชั่วนะหรือว่ากดกัน้นนะอะไรเราตั้งตบาบะไว้เนี่ยกั้นไหมกดกั้นไว้ น, ไวนะอย่าให้ปิดตบาบะอย่าให้เสียตบาบะนะ